รู้รู้ไม่ว่าต่อไปเราต้องทำอะไรสิ่งที่เราจะต้องฝึกนะฝึกรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตหรือตอนนี้มีอะไรขึ้นเกิดขึ้นกับกายตอนนี้ต้องฝึกนะสิ่งที่เราจะทานะถ้าเราจะสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อผลคือผลที่จะพ้นทุกพ้นกรรมไปเนีนะ คือฝึกสร้างกรรมแบบนี้ไปก่อนกรกรมฐานกรรมฐานตัวนี้นะ <S <S 1> <S 1> บางครั้งก็เผลอไปแล้วก็รู้ทันว่าเผลอบางครั้งเผลอแล้วยังมีโทสะด้วยก็รู้ทันโทสะไปแล้วก็มาม า, มาอาศัยกายเนี่ยเป็นที่อยู่เพราะจิตเนี่ยมีอยู่ในถ้ำคือกายนี้แล้วพอมันเผลอออกไปรู้ทันอาการเผลอเนี่ยมันมีการเคลื่อนด้วยรู้ทันความเคลื่อนตอนนั้นได้สองตัวอย่างน้อยเลยนะ ได้สองตัวคือมีสติรู้ว่าการเคลื่อนพอรู้ว่าเคลื่อนตอนเคลื่อนคือไม่ตั้งมั่นพอรู้ว่าเคลื่อนตั้งมั่นพอดีและพอถ้ามันเฉลียวใจสักนิดนึงว่าที่มันเคลื่อนไปเนี่ยมันเคลื่อนไปเองตอนนั้นได้สมตัวเห็นสภาวะของความเคลื่อนคือมีสติเห็นความเคลื่อนแล้วมันไม่เคลื่อนคือเป็นสมาธิเห็นว่ามันเคลื่อนไปเองเป็นปัญญา เป็นอนัตตาเห็นลักษณะของอนัตตาของจิตง่ายไหม <c oughs> บางคนไม่ง่ายหนักใจไหมหนักใจรู้ว่าหนักใจใช้ได้เคยไหมผิดรู้ว่าผิดใช้ได้เผลอไปเพ่งอีกแล้วรู้ว่าเพ่งใช้ได้เผลอกำหนดอีกแล้วรู้ว่ากำหนดใช้ได้ อยากจะสงบน้อมใจไปรู้ว่าน้อมใช้ได้ตอนน้อมใช้ไม่ได้แต่พอรู้ว่าน้อมใช้ได้คือตอนรู้ว่าใช้ได้รู้ว่าผิดมันจะมีสิ่งผิดอีกมากมายที่จะที่เราจะทําอยู่เรื่อยๆเพราะเราเป็นผู้ที่ยังไม่มีปัญญายังไม่รู้ทางที่แท้จริงสิ่งที่ช่วยได้ก็คือหมั่นเข้าหาครูบาอาจารย์หมั่นเข้าหาผู้รู้แล้วให้ท่านตักเตือนแนะนํานำ สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยบางทีเราทำผิดอยู่แล้วไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวก็ทำผิดอยู่นั่นเองซ้าๆถ้าท่านชี้แล้วเราเห็นได้ถ้าเราเห็นสิ่งที่ผิดมันก็อาจจะผิดอีกเหมือนกันแต่ว่าผิดแล้วรู้มันจะมีเหมือนเหมือนชื่ออะไรนะเอดิสันได้ไงเอดิสันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่เขาคิดหลอดไฟฟ้าได้ใช่ไหมแต่กว่าจะทําหลอดไฟฟ้าขึ้นมาได้เนี่ยเขาลองผิดลองถูกหลายพันครั้งไ ม, ไม่ใช่ลองผิดลองถูกลองผิดหลายพันครั้งมีคนมาสัมภาษณ์เขาถามเขาว่าคุณรู้สึกท้อแท้ไหมที่ว่ากว่าจะได้หลอดไฟฟ้ามาเนี่ยคุณผิดมาถึงเป็นพันๆครั้งเอริสันบอกว่าคุณอย่าถามอย่างนั้นถามผิดจริงๆแล้วผมรู้ว่า ทางที่ทําหลอดไฟไม่ได้อีกพันทางแล้วไม่ทํามันเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมลองอย่างนี้แล้วมันไม่เกิดไฟไฟไม่ติดแสดงว่าทางนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ทําทางที่ผิดมีมากมายนะเขาลองมาตั้งพันพันครั้งทางที่ถูกมีครั้งเดียวถูกแล้วไฟไฟติดเลยสว่างเลยที่มาทําจนถึงที่ถูกไฟสว่างขึ้นมาได้เพราะรู้ว่าไอ้ที่ทํามานั้นผิด ไม่ต้องกลัวว่ามันผิดมาพันครั้งถ้ามันผิดพันครั้งแสดงว่าเร า, เรารู้ทางที่ผิดถึงพันทางขั้นต่อไปคืออดทนทําด้วยความอดทนรู้สิ่งที่ผิดแล้วก็ทําไปผิดไปไม่เป็นไรรู้ว่าผิดทุกครั้งที่รู้ว่าผิดตอนนั้นได้แต้มคือ ไ, ได้สติขึ้นมาแล้วถ้าผิดอย่างนี้ บ, บ่อยๆแสดงว่าเรารู้ บ, บ่อยๆรู้บ่อยๆก็แสดงว่าต่อไปเราจะไม่ผิดอย่างนั้นอีกเพราะลองมาทุกทีแล้ว ผลคือผิดทุกทีเข้าใจไหมถ้ารู้จริงแล้วจะไม่ผิดอีกเช่นรู้ว่าไปไปตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทีไรจิตแข็งทุกทีจิตผิดปกติทุกทีก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้ตั้งใจเกินไปใช้ไม่ได้ทุกครั้งที่ตั้งใจผิดทุกครั้งที่น้อมไปเคลิมเมน้อมไปเคลิ้ ม, เ, มเหมือนดูเหมือนสงบ ไม่เกิดปัญญาเลยเลยนิ hmm, ่งๆิ่งเงียบเงียบใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องเห็นมันเกิดดับเกิดดับจึงจะใช้ได้แต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงเคลิ้มเคิมไม่รู้ตัวใช้ไม่ได้ถ้าเห็นเกิดดับเกิดดับเห็นฟุ้งซ่านไปรู้ทันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านดับฟุ้งบ่อยยิ่งเห็นบ่อยได้แต้มเยอะเห็นกายหายใจแล้วก็เผลอไปตอนเผลอใช้ไม่ได้แต่ตอนรู้ว่าเผลอใช้ได้ถ้าเผลอบ่อยแสดงว่ารู้บ่อย นั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงเผลอบ่อยก็ได้ได้แต้มบ่อยแต่ถ้านั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงสงบเคลิม้มไม่ได้แต้มอะไรเลยเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> อยากพักหรือยัง <c oughs> ใครมีอะไรสงสัยไหมอยากจะถามไหม <c oughs> คงเป็นคงเป็นครั้งสุดท้ายของคอร์สนี้ที่จะมาจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ถามจะร่ำลา ฮึอะไรนะลำลาเลยใช่ไหมบายบายโอเคนะขอให้การเข้าคอร์สครั้งนี้เนี่ยยังไม่น้อยได้รู้หลักนะได้รู้หลักที่จะเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันการเข้าคอร์สเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อให้สำเร็จมรรคผลเอาตอนในคอร์ส นะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่คาดหวังว่าจะได้รับความเข้าใจและเอาไปใช้ต่อนะแล้วอย่าอย่าประมาทเด็กๆอย่าประมาทเด็กๆนะเราสร้างบรรยากาศในครอบครัวนะงานงานนิดนึงฝากนิดหนึ่งว่าสร้างวินัยในในครอบครัวในบ้านสักนิดหนึ่งนะสร้างวินัยไว้แล้วพอ วินัยเนี่ยไม่ใช่เป็นกฎเพื่อให้ทุกคนเครียดแต่เพียงสร้างบรรยากาศวินัยเนี่ยเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อในการพัฒนาตัวเองนะสร้างบรรยากาศในครอบครัวเหมือนที่อาตมาเล่าให้ฟังหรือเหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าชีวิตตอนวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเห็นอะไรท่านเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรตอนเด็กๆอาตมาเห็นผู้ใหญ่ทาอะไรแล้วได้แบบอย่าง เราสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนะสร้างบรรยากาศที่ดีวิธีสร้างก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจแล้วก็สร้างวินัยในบ้านนะบางทีเราทำเป็นประจำแล้วนะแล้วพอขี้เกียจขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนะี่ยบางทีลูกก็จะเตือนวันนี้ทำไมไม่สวดมนต์ใช่หมวันนี้ทาไมไม่นั่งภาวนาทำไมไม่ไม่นั่งสมาธิลูกก็จะเตือนคราวนี้เราก็จะมีการ เอื้อกันบางทีเราก็เป็นการฝึกลูปบางทีลูกก็ฝึกเรานะสร้างบรรยากาศสร้างวินัยขึ้นมานะขอให้การมาเรียนในคอร์สครั้งนี้นะถ้าใครไม่รู้จักว่าภาวนาเป็นยังไงก็ขอให้การมาเข้าคอร์สครั้งนี้ได้ความเข้าใจเอาไปปฏิบัติต่อใครเข้าใจแล้วก็ขอให้ไปทาให้มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วสภาวะเกิดขึ้นมา มันให้เราเลือกว่าจะสะสมเป็นอนุสัยหรือจะสะสมเป็นสัญญาเพื่อทําให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสติแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการฝึกตนนะแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมกับที่ตั้งใจเอาไว้นะจะอบอุ่นด้วยธรรมะที่เราได้ฝึกกันเองแล้วเราก็จะได้ช่วยศาสนาในการที่จะบอกต่อให้กับคนอื่นว่า ครอบครัวของเราอบอุ่นได้ด้วยธรรมะที่เราฝึกกันมานะขออนุมโมทนาทุกทุกคน